อนาปติวานพิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติปาราชิก ค, คือ673 1. ภิกษพิุนียังไม่ถูกสวดสมรุภาพสองพิกษุณียอมสละ 3. ภพิกษุณีวิกลจริต 4. ภพิกษุณีต้นบัญญัตปาราชิกสิกขาบทที่ 3. จบ